บทที่หกความเป็นมาแห่งผู้สร้างนครปาตาลีบุตรตอนขึ้นครองราชเช้าวันลุ่งขึ้นมกุฎราชกุมารแห่งแคว้นมคธทรงแต่งพระองค์อย่างรัดกุมสอดพระแสงติดองค์ไว้อย่างมิดชิดเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงตกลงพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะปรงพระชนสมเด็จพระราชบิดาตามคำแนะนำของพระเทวทัตพระอารัชชีบุคคลผู้มีจิตคิดร้ายมีความไม่สุดจริตอยู่ในใจย่อมมีความกังวลและพิรุษฉาบฉายออกมาดังนั้นเมื่ออชาชาติศัตรูราชกุมารย่างเข้าพระตำหนักของสมเด็จพระราชบิดาจึงมีพระอาการลุกลี้ลุกลนผิดปกติ ทหารรักษาพระองค์เห็นดังนั้นจิงทูลขออนุญาตตรวจคน้นทำไมเราจะต้องถูกตรวจค้นด้วยพระราชกุมารตรัสถามหม่อมฉั้นทำตามหน้าที่พยาคารทหารรักษาพระองค์ทูลตอบลูกจะเข้าไปหาพ่อเขาทำไมจะต้องค้นด้วยวันก่อนๆฉั้นเข้ามาทำไมไม่คน้น รัดถามพร้อมด้วยทรงถอยร่นออกมาเล็กน้อยวันก่อนๆพระองค์ไม่ได้ทรงมีพระอาการอย่างนี้พยาคะวันนี้พระราชกุมารมีพระอาการไม่น่าไว้วางใจทหารรักษาพระองค์พูดอย่างมั่นคงระหว่างท่านจะขอบขาดพระราชกุมารตรัสอย่างพิโรธหมอมชั้นยอมพยาค่ะแต่หมอมชั้นกระทําตามหน้าที่ ทำเพื่อถวายความปลอดภัยแก่พระเจ้าอยู่หัวและแล้วทหารทั้งสองนายเข้าตรวจค้นพระราชกุมารและได้พบพระแสงซึ่งพระราชกุมารซ่อนติดองมาด้วยจึงยึดพระแสงไว้แล้วคุมองค์รัชทายาทเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารคนที่ไม่เคยทำผิดไม่เคยทำการใหญ่เมื่อกระทำเป็นครั้งแรกย่อมขาดความรอบครอบ และความมั่นคงฉันใดพระราชกุมารอาชาติศัตรูก็ฉันนั้นตลอดพระชนมายุที่ผ่านมาไม่เคยเลยที่จะคิดฆ่าใครจะกล่าวใาญ่ถึงงานใหญ่ถึงกับจะปลงพระชนพระเจ้าอยู่หัวเหมือนละครซึ่งออกแสดงเป็นครั้งแรกย่อมตื่นเวทีเป็นธรรมดาแต่เมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วเปล่าประโยชน์ในการที่จกปฏิเสธ เจ้าชายรัฐายาทรงข่มความหวาดกลัวและดํารงพระทัยให้มั่นไว้พร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์จิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ย่อมเป็นไปเยี่ยงนี้คือเมื่อภัยยังไม่มาถึงตัวคนส่วนมากก็กลัวต่อภัยนั้นและดูเหมือนจะกลัวมากกว่าภัยที่จะเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อภัยเกิดขึ้นจริงๆและกําลังเผชิญอยู่ต่อหน้ามนุษย์ก็จะคิดต่อสู้ ไม่รู้ว่ากำลังใจมาจากแห่งใดจึงทำให้รู้สึกเหมือนจะเผชิญได้ทุกอย่างเรื่องการวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องหลอกหลอนมนุษย์ให้ประสาทเสียตลอดเวลามาตั้งแต่โบราณกาลเมื่อมาอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าพิมพิสารพระราชกุมารสุดลงถวายบังคมตามขัตยราชประเพณี ทหารรักษาพระองค์เข้าถวายพระแสงแล้วทูลว่าเทวะพระแสงเล่มนี้ค้นได้จากพระยุพราชในขณะที่เสด็จเข้าเฝ้าพระองค์ขอเดชะพระเจ้าพิมพ์พิสานทรงมองดูราชโอรสตรลึงอยู่ครู่หนึ่งรับสั่งให้ทหารออกไปได้และตรัสกับพระโอรสว่าลูกรักเจ้านาพระแสงติดองค์เข้ามาทําไม เจ้าทราบกฎของวางดีแล้วไม่ใช่หรือทราบดีเสด็จพ่อเจ้าชายทูลรับแล้วจะนำเข้ามาทำไมเจ้าต้องการเป็นกษัตริย์ต่อไปภายหน้าอย่าทำอะไรผิดพลาดให้พลเมืองเห็นเขาจะคลายความเคารพเลื่อมใสลงไปแต่หม่อมฉันไม่ต้องการเป็นกษัตริย์ในภายหน้าอ้าวทำไมล่ะลูก หม่อมชันต้องการจะเป็นกษัตริย์เวลานี้วันนี้หรือพรุ่งนี้นี่หรือคือเหตุผลที่เจ้านำพระแสงเข้ามาหาพ่อพระเจ้าพิมพิสารรัดด้วยกระแสะเสียงอ่อนและคนเศร้าใช่พยคะเจ้าชายทูลรับ จอมเสนาแห่งแคว้นมคตทรงนิ่งอึ้งไปมิอาจตรัดอะไรได้พระพักเฉยเหมือนรูปปั้นวางไว้บนพระแท่นบูชาพระเนตรจับอยู่ที่ขอบพระทวารจินตนาการของพระองค์ถอยหลังไปไกลสมัยเมื่อพระมเหสีทรงพระคันแม้พระคันะสงค์เสวยพระโลหิตแห่งพระองค์ โหราจานทำนายว่าพระโอรสจะประสูติมาเพื่อประหารพระราชบิดาพระองค์ทรงดําริถึงพระนางเจ้าเวเทหิและทรงครวญอยู่แต่ในพระไทยว่าเวเทหิเอยถ้าเธอทราบเรื่องนี้จะโทมนัตสักปานใดบัดนี้ถ้าพระองค์ตัดสินพระไทยปรงพระชนพระราชโอรสเสียก็จะทรงกระทาได้โดยไม่ยาก เพียงแต่ตรัสเรียกหาทหารรักษาพระองค์มาจับกลุ่มพระยุพราชแล้วพิจารณาโทษถึงประหารฐานคิดกบฏต่อกริย์พระราชกุมารจะไม่มีทางรอดพ้นจากราชภัยอันนี้ได้แต่น้ำพระทัยของจอมเสนาแห่งแคว้นมคตซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยธรรมนั้นประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งเล่าอาชาศัตรูราชกุมาร เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์เองน้ำใจของบิดาที่มีต่อบุตรนั้นสวยงามสดใสบริสุทธิ์และลึกซึ้งปานใดยากนักที่ลูกจะรู้ได้ลึกซึ้งได้จนกว่าจะถึงเวลาหนึ่งคือเวลาที่เขามีลูกเองบ้างดังนั้นพระเจ้าพิมพิสารจึงแย้มพระโอดเล็กน้อยก่อนจะตรัสว่าเอาซิลูก รัชสมบัติหรือสมบัติใดๆที่เป็นของพ่อพ่อก็ต้องการให้ลูกอยู่แล้วรอแต่เวลาเท่านั้นเมื่อลูกต้องการเร็วจะเป็นไรไปพรุ่งนี้เวลาออกขุนนางพ่อจะประกาศหน้าท้องพระโรงว่าพ่อขอมอบราชสมบัติให้ลูกครองตั้งแต่พรุ่งนี้ไปแต่เสด็จพ่อจะต้องไม่ประกาศเรื่องที่หม่อมชั้นทำครั้งนี้ด้วย ราชกุมารกราบทูลมีพระกระแสเสียงสั่นเล็กน้อยด้วยความเกรงสมเด็จพระราชบิดาพระเจ้าพิมพิสารทรงพระสวนเบาและลึกและตรัสว่าลูกรักเรื่องนั้นลูกเชื่อพ่อได้สิ่งใดที่เป็นภัยต่อลูกพ่อจะไม่ทำพ่อพยายามเกตกันอันตรายต่างๆให้ลูกเสมอ เรื่องที่ภัยจะเกิดจากพ่อเองนั้นลูกอย่าพึงระแวงเลยค่ำวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จตำหนักพระมเหสีเวเทหิทรงเล่าเรื่องให้พระนางเจ้าสดับโดยตลอดมิได้ทรงปิดบังเรื่องไว้เลยแม้พระดำริของพระองค์เป็นประการใด ก็ทรงเล่าสิ้นจอมนางแห่งแคว้นมาคตทรงทราบและสทรงประกันแสงพิลาบว่าหม่อมฉั้นได้เคยทูลพระองค์ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะทำลายพระโอรสเสียแต่พระองค์ทรงห้ามมิได้เชื่อคือคําทานายของโหราจารย์แล้วเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นจริงๆพระองค์ก็ทรงแก้ไขประการใดก็เร่งดําริเธอ แล้วพระนางก็ถอนเสื่อื่นอยู่พระเจ้าพิมพิสารจึงตรัสว่าน้องรักน้องนั้นเป็นที่รักของเราประดุดในตาข้างหนึ่งและราชโอรสเล่าก็เป็นที่ถนอมยิ่งนักของเราประหนึ่งดวงเนตรอีกข้างหนึ่งการที่จะทำลายลูกก็เพียงเพื่อหวังรัชสมบัติเมื่อมอบสิ่งที่เขาประสงค์ให้แล้ว เขาจะข่าเราเรื่องอะไรอีกรัชสมบัติเป็นของลูกก็เหมือนเป็นของเราเองเวเทหิเอยอันธรรมดาว่าสัมสัตในพื้นเมนทินีนี้เกิดมาแต่ปวงกรรมซึ่งสัตว์ผู้ยังคล่องอยู่ในโลกียวิสัยยังข้ามไม่พ้นและจะต้องเป็นไปตามกรรมข้อนี้พระบรมศาสดา ส, ดาสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอน พวกเราอยู่เสมอมิใช่หรือเมื่อเป็นดังนี้จะเกรงไปใยกับความตายหรือภัยพิบัติต่างๆบุคคลทั่วๆไปก็ย่อมสละธรรมและคุณความดีเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์ไว้แต่อริยสาวกอย่างเรานี้ย่อมพร้อมอยู่เสมอที่จะสละทุกอย่างแม้กระทั้งชีวิตเพื่อรักษาธรรมเวเทหิเอย จงเบาใจเถิด อ, อย่าวิตกกังวลอะไรเลยแม้ชีวิตนี้จะเป็นที่รักแต่เราก็ไม่ได้รักยิ่งไปกว่าธรรมและแล้วพระเจ้าปิมพิสารก็ทรงปลอบประโลมพระมเหสีทรงบาพระทยัยด้วยเหตุผลที่พระนางไม่อาจทรงคัดค้านได้ถึงกระนั้นก็ตามในราตรีนั้นพระนางมิอาจบันทมให้หลับสนิท แม้จะนำพระดำรัสของพระสวามีมาปลอบพระทัยสักเท่าใดพระนางก็ยังวิตกกังวลไปต่างๆตามวิสัยแห่งสตรีรุ่งขึ้นเวลาออกขุนนางจอมเสนาแห่งแคว้นมาคตไม่ได้แสดงสีประปาสให้หม่นหมองเป็นที่ผิดสังเกตของอำมาตย์ราชมนตรีเลยมีข้อแปลกตาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่วันนั้นพระยุพราชเสด็จออกไปด้วย ทุกคนในท้องพระโรงลุกขึ้นแสดงความคารวะด้วยความเคารพและเลื่อมใสในองค์พระเจ้าแผ่นดินและนั่งเงียบอยู่ท่ามกลางความเงียบนั่นเองราชาแห่งเบนจักคิรีตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้กรองแคว้นมคตมาเป็นเวลานานเวลานี้อายุของข้าพเจ้าก็ล่วงเข้าสู่วัยชารามากแล้ว เหมือนรุกชาติที่มีรากไม่ได้มั่นคงเกรงว่าพายุหนักพัดมาเมื่อใดรุกชาตินั้นหรือทานกำลังลมคงจะพัดต้นไม้หักขึ้นทั้งรากข้าพเจ้าตรหนักอยู่ดังนี้และเวลานี้อาชาติศัตรูราชกุมารโอรสของเราเจริญชันสาพอที่จะออกว่าราชการแทนเราได้แล้วอันหนึ่ง ศิลปศาสตร์วิทยาทั้งปวงอันผู้จักครองแผ่นดินพึงจะเรียนรู้อาชาติศัตรูลูกเราก็ได้เรียนมาเจนจบทั้งศิลปศาสตร์กลยุทธ์และวิธีปกครองไฟฟ้าฆ่าแผ่นดินข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นโอรสเราปรกครองข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นโอรสเราปกครองบ้านเมืองให้เห็นกับตาเป็นที่มั่นใจว่า ลูกเราจะนำรัตนาวาอันนี้ไปได้เหมือนศาสนิกผู้มีศรัทธาเตรียมอาหารไว้ถวายสงเมื่อสงพร้อมแล้วก็ถวายด้วยมือตนเองแล้วนั่งมองดูสงฉันอาหารนั้นด้วยความปีติประโมทอยู่ในใจฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าอาจาริสศัตรูลูกของเราเป็นรัชทายาท รัชสมบัตินั้นเตรียมไว้สำหรับพระยุพราชองค์นี้พระองค์ทรงชี้พระหัตมาที่อาชาตสตรูราชกุมารเมื่อลูกเราพร้อมแล้วที่จะรับรัชสมบัติข้าพเจ้าจึงขอประกาศว่าตั้งแต่บัตรนี้ไปข้าพเจ้าขอสละรัชสมบัติเป็นกษัตริย์นอกราชบัลลังก์ขอให้ท่านทั้งหลายถือว่า อาชาศัตรูราชกุมารเป็นกริยาสืบแทนข้าพเจ้าและขอได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวน้อยของท่านทั้งหลายต่อไปพระองค์ทรงหยุดอยู่ขณะหนึ่งและตรัสต่อไปว่าขอให้ท่านทั้งหลายแสดงความจงรักภักดีแด่พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ของท่านโดยกล่าวคาอวยพรพร้อมเพียงกัน พระเจ้าพิมพิสารตรัสจบลงเสียงถวายพระพรดังสนั่นขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอาจารยสตุมหาราชาดังนี้สามครั้งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จขึ้นคืนนั้นพระองค์บันทมหลับสนิทปลอดโปร่งเบาพระทยัย เหมือนบุคคลแบกภาระหนักไว้ทั้งสองบาเดินฝ่าแดดในยามเที่ยงมีเหงื่อโอมกายเมื่อมาถึงร่มพรึกใบหนาและวางภาระหนักนั้นลงซ้ำตรงหน้ายังมีสะโบกกรณีน้ำสายเย็นจืดสนิทคิดดูเถิดว่าบุคคลผู้นั้นจะพึงอภิรม์ชมชื่นสักปานใด พระองค์ไม่ทรงปรารถนาราัชาสมบัติมาเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่ทราบจะสลัดประการใดประดุดบุคคลผู้มีฟันคลอนเจ็บปวดร้าวระบมอยู่จะถอนเองก็เหลือปัญญากลั้นจะปล่อยไว้ก็รำคาญและเจ็บปวดเมื่อมีนายแพทย์ผู้ฉลาดและสามารถช่วยป้ายยาชาและถอนออกโดยไม่ได้เจ็บปวด เจ้าของฟันผู้นั้นยอมจะปลอดปโปร่งและโล่งใจฉันใดพระเจ้าพิมพิสารกับพระชายาดก็ฉันนั้นพระองค์เป็นโสดาบันกระสัได้ถึงแล้วซึ่งกระแสธรรมได้กระทบกับความเย็นชําของธรรมแล้วอันโสดาบันปฏิผลนี้ประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง และกว่าสวรรค์วิมานชั้นใดๆทั้งหมดข้อความนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐได้ตรัสไว้เมื่อบุคคลใดได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าเสียแล้วจะยายดีอะไรกับสิ่งที่ต่ํากว่าอุปมาเหมือนสตรีผู้นิยมในความงามเมื่อได้เพชรแท้มาประดับสอแล้วเธอจะเบนใจมายินดีในพลอยหงได้ชะไหนหรืออีกอุปมาหนึ่ง เหมือนนักโทษผู้ถูกจองจำพันธนาการมาเป็นเวลานานยินดีพอใจรับประทานข้าวแดงและผักดองเพราะความหิวต่อมาเมื่อหลุดพ้นจากเรือนจำแล้วได้รับการอภิเสกให้เป็นกษัตรย์ย่อมบริโภคอาหารอย่างที่กษัตริย์พึงเสวยเขาผู้นั้นย่อมไม่อะไรในข้าวแดงและผักดองอีกชั้นใดก็ฉั้นนั้น พระเจ้าอาชาตศัตรูได้รับราชสมบัติแล้วก็นิยมชมชื่นในรัชสมบัติตามประษาคนนมแต่ความนิยมชมชื่นและความสุขของพระองค์ก็เหมือนความสุขของคนซึ่งไปแย่งภรรยาของผู้อื่นมาครองหรือเหมือนสตรีที่แย่งสามีของผู้อื่นก็ดุดกันเจ้าของเขาจับได้แล้วยกให้เพราะความกรุณาและมีน้ำใจดี แต่ผู้ที่แย่งของเข้ามาจะมีความสุขโดยสมบูรณ์ก็หาไม่คอยระแวงระวังอยู่เสมอเกรงว่าเจ้าของเดินผ่านมาจะแย่งคืนไปนอกจากนี้กระาใดาระลึกขึ้นว่าของนั้นตนได้มาโดยมิชอบธรมก็ให้รู้สึกสะท้อนสะท้านใจเสียวแปรในหัวใจเหมือนมีเข็มมาแทงสักร้อยเล่ม บุคคลประเภทนี้ถ้าปราศจากมโนธรรมคอยเหนียวรั้งไว้แล้วมักจะทำกรรมเรื่องเดียวกันนั้นเองซ้ำๆเข้าไปอีกเพื่อให้เห็นเรื่องเดิมเป็นธรรมดาเพราะธรรมเสจนเคยชินฝ่ายพระเทวทัตดีใจยิ่งนักที่แผนการของตนบรรลุผลสำเร็จตามความประสงค์ความสำเร็จของพระเจ้าอชาติศตรู เหมือนความสําเร็จของตนใกล้เข้ามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วบัดนี้พระเทวทัตมีลาบสการะและมีคนเคารพนับถืออยู่ในกรุงราชคฤื้มิใช่น้อยทั้งนี้ด้วยอิทธิพลของกรรษัตริย์พระองค์ใหม่ความสําเร็จในขั้นนี้เป็นประดุจเชื้อเพลิงที่จุดให้ความปรารถนาของพระเทวทัตจะยากอะไรพระเทวทัตคิด บัดนี้อชาศัตรูสิทธิ์เราได้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวงในอนาณาจักรเราจะหาอุบายปรงพระชนพระพุทธเจ้าเสียแล้วเป็นใหญ่ในฝ่ายพุทธจักรเสียเองครานี้พระโคโดมเอ่ยพระองค์จะเห็นเองว่าเทวทัตนี้ไม่ใช่บุคคลที่พระองค์จะเกีตกันได้โดยง่ายและพระเทวทัตก็หัวรอ ก, ก้องกังวานเหมือนจะเย้ยฟ้าท้าโลก เย็นวันหนึ่งพระเทวทัตจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำตนเหมือนที่ปรึกษาราชการของกษัตริย์พระองค์ใหม่เมื่อได้ทูลถามเรื่องอื่นๆจนพอใจแล้วหันมาถามถึงพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบอพิษสมเด็จพระราชบิดาทรงสาราญดีอยู่หรือทรงสาราญดีพระคุณเจ้าพระเจ้าอาชาัตรูตอบ พระองค์ได้จัดการกับสมเด็จพระราชบิดาประการใดมิได้ทำอะไรเลยพระคุณเจ้าปล่อยให้พระองค์ให้ทรงสำราญตามพระราชอัธยาศัยพระองค์ก็ทรงชรามากแล้วเทวทัตได้สดับพระดำรัสของยวกษัตรดังนั้นจึงนิ่งเฉย อ, อยู่และแท้งทำกิริยาเศร้าหมองเหมือนทุกข์หนักพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ประจักษ์ในกิริยานั้น จึงตรัสถามว่าพระอาจารย์ดูมีอาการเศร้าหมองเมื่อได้ฟังข้าพเจ้ากล่าวดังนั้นมีอันใดเป็นที่หนักใจของท่านอาจารย์อยู่หรือพระเทวทัตจึงทูลว่าขอถวายพระพรการที่พระองค์ทรงปล่อยให้สงเดชพระราชบิดาทรงสำราญอยู่อย่างนั้นอาตมาภาพเห็นหาควรไม่ประหนึ่งปล่อยจระเข้เข้าไว้ในห้วงน้าลึก ปล่อยเสือเข้าป่ากว้างจับช้างได้แล้วไม่นำเข้าพระเนียดปล่อยให้กลับไปคลุกคลีกับโขงหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนพระองค์หมั่นเกี่ยวนารีอยู่แรมเดือนแรมพรรษาเมื่อนางนั้นมีทีท่าว่ารับรักแล้วพระองค์ไม่รีบบอกรักเสียโดยพลันเหตุเหล่านี้วันคืนล่วงไปมีแต่จะแปรปรวนเป็นอื่นอันหนึ่ง องสมเด็จพระราชปิดาของพระองค์นั้นมีกฤษดาพินิหารแผ่ไปทั่วไม่เพียงแต่ในแคว้นมคตแม้แคว้นใกล้เคียงก็ยังยำเกรงพระบารมีถ้าจะอุปมาก็เหมือนกระทิงเข้าป่ากรองความเป็นใหญ่ในอรัญญาประเทศมาเป็นเวลานานมีหรือที่จะยอมให้ใครมาลูบเขาเล่นง่ายๆที่ทรงยินยอมด้วยดีนั้น เห็นจะเป็นเพราะทรงมีอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งหลอกให้พระองค์ตกหลุมพรางเป็นแม่นมั่นอีกประการหนึ่งราชสมบัตินั้นเหมือนอาหารอันเอมโอดเป็นที่โปรดปรานของบุคคลทั่วไปผู้ยังฝ่ใจในรสแต่ที่ผลักไสไปชั่วคราวเพราะอิ่มอกเมื่อใดหิวขึ้นมาอีกก็ย่อมจะต้องแสวงหาพระองค์ทรงปล่อย สมเด็จพระราชบิดาไว้ดังนี้ไม่ชอบด้วยเหตุผลจะเป็นภัยแก่พระองค์เองที่ถวายพระพรนี้ก็ด้วยความหวังดีต่อพระองค์อันเปี่ยมล้นอยู่ในดวงใจของอัตมภาพ